วิธีแก้สัญญาวิปลาสเอาอย่างนี้ก็ดีเขาให้กินแล้วก็ให้นอนแม้แต่สวดมนต์ภาวนาให้หยุดหมดให้จิตกลับคืนมาสู่สภาพเดิมก่อนสภาพเดิมก็เหมือนเหมือนกับที่เรายังไม่บวชเพราะการปฏิบัติเขาให้กินให้นอนนั่นแหละมันถึงจะเบาลงให้มันหมดไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วค่อยเริ่มต้นใหม่ อาจา ร, รย์หลวงพ่อเนี่ยท่านก็เป็นเพียเพ้ยนๆไปเหมือนกันพี่ชายท่านชื่ออาจา ร, รย์พรเขียนจดหมายมาบอกว่าให้เจ้ารักษาคุณบุญไม่ถึงหลวงปู่บุญให้หายให้รักษาอาจา ร, รย์บุญให้หายอาจา ร, รย์บุญชินวังโสเนี่ยเป็นอาจา ร, รย์ของหลวงพ่อทีนี้อาจา ร, รย์ใหญ่พี่ชายของท่านที่เลี้ยงดูหลวงพ่อมาก็เขียนจดหมายมาพร้อมกับให้คนนาอาจารย์บุญมาให้เจ้ารักษาอาจารย์บุญให้หาย แล้วก็ให้จำพรรษาอยู่ที่อุบลอย่าให้กลับไปเอ๋เราเป็นลูกศิษย์จะรักษาอาจารย์อย่างไรเลยไปนึกถึงคำพูดของหลวงปู่เสาท่านกล่าวไว้ว่าคนเกิดสัญญาวิปลาดมีส่วนเข้าใจผิดเป็นบางสิ่งบางอย่างให้หยุดสวดมนต์ให้หยุดภาวนาให้กินแล้วให้นอนพอเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ไปชวนลูกหลานในตลาด พวกลูกโยมอุปถัมภะถากตกกลางวันมาก็ให้หาส้มตำหาอะไรมาให้ฉันให้พวกเด็กผู้หญิงสาวสาวนั่นให้มาพูดหยอกล้ออะไรต่างๆทีนี้พอเสร็จแล้วท่านมาอยู่ได้สองเดือนท่านมาพูดคำหนึ่งว่าโอ้ยนี่มันเอากันมาฆ่านี่วะเดี๋ยวเนี้ยมันไม่มีความดีอะไรเหลืออยู่ละมันเป็นข้อเอธรรมดาแล้วนะเดี๋ยวนี้ท่านว่าอ้าว ถ้างั้นอาจารย์เริ่มภาวนาได้แล้วลุงพ่อบอกกลับไปทีนี้พอท่านภาวนาจิตของท่านก็คืนมาตามเดิมไม่หลงเหมือนแต่ก่อนแต่ไปติดอยู่อันหนึง่งติดอยู่ว่าจะกลับไปแล้วก็จะไปศึกศึกแล้วจะไปแต่งงานเจ้าสาวมันคอยอยู่ลุงพ่อก็บอกว่าโอ้ยไม่ใช่ไปหลงเข้าฝ่ายเดียวหรอไม่นะ่ามันคอยอยู่โอ้ย สงสัยว่าเจ๊กในอำเภอสว่างมันเอาไปกินก่อนแล้วอา้าวถ้าจะกลับมาสัญญากันก่อนถ้าหากผู้หญิงคนที่อาจารย์ว่าเขาคอยอาจารย์อยู่ผมจะให้อาจารย์ศึกแล้วผมจะเตรียมเงินค่าสินสอดทองมั่นไปด้วยจะจัดการแต่งงานให้เลยแต่ถ้าหากว่าเขาไม่คอยอาจารย์แล้วก็ให้เลิกคิดนะอา้าวตกลงแล้วก็พากันกลับไปพอไปก่อนที่จะไปถึงบ้าน มันก็ถึงวัดเราก่อนพอไปแทนที่จะแวะเข้าวัดโนนเดินดุยดุยเข้าไปในบ้านมันพระจะตามไปอา้าวปล่อยให้ไปคนเดียวพอไปได้สักพักหนึ่งกลับมาหัวเราะแห่แหมาแต่ประตูวัดอ้าเกิดเมื่อวานนี้ทำไมมันเก่งนักหนาะเก่งยังไงล่ะอาจารย์มันว่าเจ๊กอำเภอสว่างเอาไปกินก่อนแล้วมันก็เป็นจริงสัญญาต้องเป็นสัญญานะอ้าวตกลง สัญญาเป็นสัญญาไม่ยุ่งเกี่ยวกับมันอีกต่อไปแล้วท่านก็เลิกเลิกคิดแล้วก็อยู่มาจนอายุ80กว่าปีถึงได้มรณภาพ